พักนะยังไปตั้งหยุดเดี๋ยวว่ากันต่อตอนนี้เราก็พักภาวน า, ากันซะก่อนทันมาเอาใจของเราตั้งใจฟังเสียงหรืออาจจะลำคาบหูบ้างผัสชังสนธนาะเอาว่าตั้งใจจดจอ่อจดจ่ออยู่ที่เสียงเรียกว่าธรรมะ เป็นของพระผู้ใจเจ้าเราก็เล็กเลึกถึงตรองเสด็จพระสัมมาสัูพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งใจฟังไปเพราะกำลังการใช้อารมณ์ในด้านจิติุุยาถ้าไม่โปร่งสบายตึงไม่มีผลหนักเกินไปไม่เขา้าช่านะ ไอ้คาว่าสบายเนี่ยพอรับ ก, รกันสบ้างนะมันจะสบายนะแต่ถ้ามันตึงอึง่งแล้วก็เป็นเรื่องก็ต้องผ่อนผ่อนให้ใจเราสบายๆอย่าไปตัดไปกังวลไม่ตัดไปสนใจคิดว่ากีฬาสมาธิเป็นกีฬาสมาธิอย่างหนึ่งถ้าจิตเราสบายก็ได้กำไรถ้าจิตของเราไม่สบายก็ขาดพึ่ไป แต่เราจะทำยังไงจิดก็เราจะสบายก็เอาตามที่องค์เสด็จพระเจ้าไตรปรมศาสสะดาที่ทรงแนะนำไว้ว่าจะจงตั้งใจเป็นผู้ให้การให้เป็นผู้ที่มีความสุขไมายถึงว่าเราให้เราก็เป็นสุขผู้รับจะสุขหรือไม่สุขในเรื่องเขาแต่เรายินดีในการให้เราเป็นสุขนี่เราจะเอาอะไรไปให้ใครในเมื่อเวลานี้เรานั่งทาสมาธิ จิเขางเร า, าถึงองค์เสด็จพระเจ้าแต่รมศาสาศดาอะไรให้รู้ไหมอะไรให้ดีเอาใจนะเอาใจที่มันดีใจที่มันสวยใจที่มันสว่างสวใจที่มันวดงามคือใจของบุคคลเข้าถึงอารมณ์พระอริยะ ไม่ได้พูดถือว่าให้เป็นสร้างอริยะนะเอาแค่อารมณ์จิตของเราคล้ายกับพระอริยะที่ท่านทรงอารมณ์ของท่านได้เราก็ทรงแค่ช่วงเวลาสั้นๆเพื่อที่เราจะได้เอาตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ให้ให้บุคคลอื่นเขาได้มีความสุขเช่นเด็กกับเราเราสุ ข, ขก็เพราะว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่เรามีความสุ ข, ขกับพระว่า เรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งที่เริงเราเรามีความสุขกเพราะว่าเรามีพระอริยสงฆ์ที่สัดกดิ์สงพ่อเป็นที่พึ่งความสุขของเราอย่างนี้คนอื่นเขาหาได้โดยยากเขาจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็เอาเป็นแค่ว่าการอันตราย ถ้าองค์เล็กเกินไปก็การได้ไมหมดก็ต้องห้อยองค์โตตนะเวิร์จการได้ไม่ตัวอย่างนั้นต้องใส่รถเข็นไปด้วยแล้วนะท่านส่วนใหญ่เขาก็เอาพระมาเป็นที่พึ่งอีก ต, ตรงที่เขาทุกเงินเขาหมดเมียหนีหัวจากไอ้ําะไรทานอง น, น, น, นี้เป็นต้นนะเขาก็เอาพระสงเป็นที่พึ่งมนัน ก, ก็วิ่งหาพระพุทธรูปช่วยฉันทีจะบนบานสารกล่าวไปอย่างนั้น แต่เราไม่ได้เอาพระพุทธเจ้าเป็นเชิงพึงอย่างนี้เราเอาพระพุทธเจ้าพเพื่อทำใจของเราเข้าถึงความสิ้นแห่งกองทุกข์คิดอย่างนี้ไหมถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็มีกำไรนะหมายถึงว่าเราเอาตรงนี้ให้เขาได้แต่ถ้าเอาพระพุทธเจ้าอย่างที่ว่ามาอย่างนี้ขาดทุณ น, นะมันได้นิดเดียว ตัวเองก็ได้น้อยให้กุวเองเขาไม่พอหรอกแต่เวลานี่เรามีให้มากเพราะเรามีองค์เสด็จพระบรมโลกกนนานาต่องใจไปสินะต้องกำลังใจของเธอไปถึงพระองค์ใจเป็นใหญ่ทุกอย่างเสด็จได้ใจของเราเรากำหนดใจเล็กถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงรู้โดยสัพพายุจายานพระองทรงทราบวาราจิตของเราเราไดกถึงพระองค์เราเคารพเริ่มงตสในความดีขององค์เสด็จพระรบรมครูเราปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างตามที่องค์ทรงแนะนําว่ามีผลตามนั้นเราจึงส่งกําลังใจของเราถึงดวงพระอรไทยขององค์เสด็จพระจอแระรมแดบรมมาสัตยสดา และดูความรู้สึกของใจขอเราที่ว่าเมื่อเรานึกถึงดวงพาะฤาษีคือดงใจของพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงพระรูปโฉมขององค์เสด็จพระรมครูใจของเรามีความรู้สึกมันผุดขึ้นมาในใจของเราบ้างไหมว่าเวลานี้เราได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆพระองค์ต้องอยู่ใกล้เราอย่าตาเนี้ยไปดูนะเอาใจดู เอาความรู้สึกของเราว่าเราถึงพระองค์ได้เพราะเหตุอะไรอย่างน้อยเราก็เป็นคนที่ปฏิบั ต, ติตามคําแนะนําของพระองค์จงเป็นผู้มีความเมตตาเป็นปกติคิดคิววัยชีวิตของเราเราก็รักชีวิของคนที่เรารักเราก็ห่วงกังวลไม่อยากให้เขาเดือดร้อนคนอื่นเขาก็มีพี่มีน้องมีพ่อมีแม่มีลูกมีล้าน แม้แต่สัสดรัจฉานมันก็มีครอบครัวมันก็มีหมู่ญาติการที่เราทาร้ายหรือทํายให้ใครคนใดคนหนึ่งมีความเศ้าหมองเป็นโทษคนอื่นก็พอยทุกไปด้วยพอยลำบากไปด้วยจริงไหมละ่ะแม้แต่สัสว์เดรัจฉานตายไปสักตัวหนึ่งแม่ของมันพ่อของมันมันก็ต้องตามหาตามดูว่าลูกฉันอยู่ที่ไหนพ่อฉันอยู่ที่ไหนแม่ฉันอยู่ที่ไหน เธอไม่ได้สร้างความทุกข์เพียงแค่คนคนเดียวหรือสัตว์ตัวเดียวแต่เธอสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจทั้งหมู่เหล่าหรือหมู่คณะของเขาแม้เราเองก็เช่นเดียวกันหากใครทําเราคนที่เขารักเราเขาก็ต้องพอเดือดร้อนพอลําบากพอวุ่นวายไปด้วยเพียงแค่เราป่วยคนเดียวถ้าอยารักมากกว่ายิ่งว่ายุยา่าเยอะอีกหืม ก็ตามมาเป็นขบวนโรงจยบาลกันแน่นเปียกดูอย่างสมัยหลวงพ่อท่านป่วยสินะเพราะท่านไปอยู่ที่โรงจยบาลใครก็พุ่งไปที่สิริราชที่เดียวนั่นแหละขอให้รู้ข่าวอย่างนี้ก็พุ่งใจไปไปไม่ได้เข้าใจไปแต ใ, ใจไปด้วยกาย ไ, ไ, กาไปโดยก็ไปไปเพราะความรักความห่วงอากใครมาทำร้ายหลว ง, งพ่อก็โกรธแค้นแทนใครด่าหลวงพ่อก็โกรธแค้นแทน เรียกว่าใครเอาหลวงพ่อคนเดียวหมายถึงว่าทําร้ายหลวงพอ่อทางด้านใดก็ตามคนเดียวลูกศิษย์ของท่านเป็นแสนเจ็บไปด้วยพรมานไปด้วยไม่สบายใจไปด้วยจริงไหมจริงนั่นสภาวะตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะการเมตตาเนี่ยมันจริงมีประโยชน์การให้จึงมีความสุขเพราะเราให้เขาคนเดียวเขาก็ต้องบอกโอ้ยคนนั้นให้ฉันนะเป็นเือกันให้แท้ อย่างนัแล้วหลวงพ่อจะไปแจกของ ไ, ไปให้ใครที่ไหนใครการบอกหรงพ่อดีเขาก็สื่อปากสืบ ต, ต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อจนดีก็พอยดีไปทั้งหมดคนไม่รู้จักก็พอรู้จักคนไม่รักก็พอรักพลอยศรัทธาไปด้วยการให้มันดีอย่างนี้เน้นใจที่เธอกำลังทาความดีตรงนี้เราเอาความดีของพระเป็นทุนเอาธรรมะคาสั่งสอนของพระองค์มาเป็นทุนเพื่อให้เขา เอาความเคารพเรื่องใสในพระอริยสงฆ์มีหลวงพ่อเป็นที่สุดเอาเป็นทุนได้ให้คนตื่นเขาบอกเขาว่ า, าพระพุทธเจ้าดีจริงๆนะพระเจ้าสงสารว่าอย่ากฆ่าศักดิดีอย่ารับทรัพย์เป็นของดีอย่าประพฤติผิดในการเป็นของดีการพูดตรงไปตรงมาการกล่าววาจาอันเทอะเป็นของดีการไม่มัวเมาหลงลืมสติเป็นของดีคนที่ได้มีทุนอย่างนั้นก็จะประกาศว่า เธอเชื่อไหมว่าแค่เราทำความดีเพียงเท่านี้เราจะมีโภคพย์คือมีรักมากไม่บกไม่พร่องไม่อดไม่ยากถึงมันจะหมดเดี๋ยวมันก็มีมาเดี๋ยวก็มีคนให้มาเดี๋ยวมันก็คล่องตัวของมันเองก็เพราะอาศัยสีรักษาความดีขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้จ า, จาจขอโทษเถอนะให้มา จะภูมใจไหมละ่ะว่าเรามีทุนให้เขาโดยไม่ต้องลงทุนรุนแรงอย่างอื่นนะยัยเรามีความเคารพจริงในพระเรามีความบั้นของในสินตินขาบทที่เรารักษาที่เชื่ว่าความบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ยังปรากฏจตวัวของเราคือเป็นีคนมีความตุขเป็นคนมีศัก ม, ม, มากเป็นหนทางที่เราตั้งใจจะดับทุกข์เข้าถึงกันต่อเราแน่เอาตรงนี้ให้กับคนอื่นเขาบ้างสิ นะแพ่กำลังใจแห่ยังไงเอาเป็นแสงดีไหมหรือเอาฝัามสว่างเหมือนดุดดังเทียนที่เรามีให้คนเองเขาได้ต่อเทียนคนละแท่งสองแท่งสามแท่งให้ได้สว่างสวยกันบ้างให้เขาโมทนาให้ก็ชื่นชมยินดีในความดีของเราถ้าตั้งเจตนาอย่างนี้ว่าใครก็ได้ท่านองค์ใดก็ดี ท่านผู้ปนาแห่งความดีคือบุญตั้งการฟัามสุขจงมองเห็นเราขอบรรมีองค์เสด็จทรสารสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานสงเคราะห์ใอรใครก็ได้ที่ปราทนาแห่งบุญของเราท่านจะเสวยฟัามสุขหรือเสวยฟัาทุกข์อยู่นับสถานที่ใดๆจะเป็นใครเป็นยากหรือไม่ใช่ยาิไม่จำกัดดวงจิตดวงใดปฏิถนาบุญของเรา ขอบรารมีพระพุทธเจ้าขอให้ท่านเหล่านั้นเห็นรูปเห็นตัวของข้าพระพุทธเจ้าเห็นความยินแยงเห็นใจของข้าพระพุทธเจ้าสว่างสว外เห็นความดีว่าที่มีพระอาศัยบรารมีองค์เสด็จพระจอแต่บรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาขอท่านจงโมทนาจงได้มีความสุขค้นทุกข์ถึงจะค้นไม่มากก็ค้นจากความทุกข์ที่เคยเป็นอยู่ในปัจจุบันแม้ท่านเสวยความสุขอยู่แล้ว ขอยท่านมีความสุขมากยิ่งยิ่งขึ้นขอท่านทั้งหลายจงชื่นชมและโมทนาในบุญหรือความดีที่ข้าพระพุทธเจ้าสร้างมาสะสมมาอาศัยคุณของพระท่านแม่ตาสงเคราะห์จึงมีทุนให้แก่ท่านท่านขอท่านทั้งหลายเมื่อรับบุญของเราไปแล้วจงชื่นชมในความดีของพระพุทธเจ้าด้วยจงยินดีในธรรมธรรมะจำสั่งสอนของพระองค์ด้วย ยังมีจิตเรื่องใสในพระศาสนามีพระอริยสงฆ์เจ้าทางไหนสืบต่อพระศาสนาได้เล่อมาขอท่านทุกมีอารมณ์เป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดท่านจงเป็นผู้ที่มีความเห็นผูกเข้าใจถูกเหมือนอย่างเราด้วยเถิดและเรามีความรู้สึกของใจว่าเมื่อเราทําจิตอย่างนี้ เราได้รับผลตอบสนองในจิตของเราว่าเขารับรู้ไหมท่านทั้งหลายยินดีกับเราไหมท่านทั้งหลายแสดงความโมทนาที่ชมในบุญของเราที่ตั้งเจตนาไปไหมท่านเราเหล่านั้นขอดูภาพตามความเป็นจริงของท่านซิว่ารูปโฉมนมพันของท่านมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้าง ที่ท่านมนโมนธนานความดีในคุณของพระพุทธ เ, เจ้าพระธรรมละระอริยะที่ท่านเมตตาสงเคให้กับเราเรามีเพียงเท่านี้พราิทิของเราเวลานี้มาได้เท่านี้ก็ให้เท่านี้แหละพอจะมีตวามรู้สึกของใจเห็นภาพของท่านเหล่านั้นบ้างไหมละ่ะและดวงใจของเสือซี ดอชี่ส า, ารร่างกายของเธอก็อได้ดูดวงจิตของเธอชื่อว่ามันแจ่มใสมันเบามันสบา ย, ม, บายมันมีความสุขลึกๆสุขสบายสบายสายุขที่เราได้ทำได้ให้ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้พิศจุกุยานของเราก็แจ่มใสจยาอารมณ์ไว้นะ อารมณ์ฝาเป็นทิพของจิตเนี่ยมันตั้งโปรสบายสบายเบาเบาสบายอ่อนอ่อนไม่จะสบายแข็งแข็งนะไอ้คําว่าสบายแข็งแข็งหมายถึงว่าไปมัดตรึงตรึงในสมาธิเกินไปจนไม่สามารถกระดุกกระดิกอารมณ์ของจิตไปที่ไหนอย่างนี้เขาเรียกว่าสบายแข็งแข็งนะถ้าสบายอ่อน่อมันต้องจิตน่าเริงมีความสุข สุขกับการได้ให้ก็สุขตื่นเต้นถ้ามีลูกส ม, GUY, มนมัติเป็นลิงกระโดดจิลังกาไปแล้วอย่างนั้นใช่ไหมอ่าน้ากลัวน่ากลวจะมวนหางหลายรอบเนอะออนี่เป็นฝันมันเป็นฝับสุขอะ่ะจิตมันสุขมันก็ดีใจได้เริงมันไม่ได้สุขเพราะได้ของแต่มันสุขเพราะว่ามันลึกๆสพราะมีปัน ความดีตรงที่ได้เอาคําแนะนําขององค์เสด็จพระสินนสีที่ทรงสอนเราได้ให้คนอื่นเขาบ้างเอาความดีที่องค์ทรงประทานให้กเราเป็นคนดีเอาบุญของเราที่มีไปให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้มีความสุขบ้างเรากล่าวว่าเราได้ให้แสงสว่างกับบุคคลอื่นเขาเราก็ดีใจดีใจว่าเราลงทุนเพียงเท่านี้จะบอกว่าน้อยไม่ได้ เพราะคนอื่นเขาทําไม่ได้นะมีเยอะจริงไหมคนอื่นที่เขาจะรักพ ร, พระพุทธเจ้าจริงๆนะ่ะโอ้มันต้องเข็นกันเป็นอสงไข่กลับนะคนที่เขาจะพอใจในพระทำคำสั่งสงอนของพระองค์โดยแท้เนี่ยต้องเข็นกันเป็นอาสงไข่กับทีเดียวแม้แต่จะมีปามเคารพเริ่ศ ใ, ในพระอริยะก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องอาศัยเวลาการสะสมความดีได้สัมผัสอย่างนี้มานานนับอสงไข่กลับเหมือนกัน อย่านะแต่เรามีขึ้นเชื่อว่าเรามีทุนมากเราจึงได้ให้และได้ประกาศความเดว่านี่ยังไงผลที่มีให้กับท่านทั้งหลายก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าท่านนะนี่ยังไงบุญที่เราได้ให้กับท่านทั้งหลายก็เพราะอาศัยธรรมะปฏิบัติท่านต้องขอบคุณพระพุทธเจ้าท่านนะ นี่แหละที่จิตใจเขาเรามีทุนเพื่อให้ท่านท่านได้ก็เพราะอาศัยความดีของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องขอบคุณพระอริยสงฆ์เจ้าท่านด้วยนะอย่าขอบคุณเราเพราะเราไม่มีคุณยศถูกไหมนะเราไม่มีแต่ที่มีก็เพราะพระท่านให้พระท่านสอนพระท่านอบรมพระท่านแนะนํา เราตัดสินใจตามที่ท่านแนะนำท่านสอนถ้าท่านไม่รักเราท่านจะมาสงเ้อาะเราทำไมถ้าเราไม่มีดีอยู่บ้างท่านก็คงไม่ส่งเคราเกิดกูลต่เราไอ้คำ ว, ว่าดีหมายถึงว่าจิตใจยังพอมีความเคารพท่านบ้างไม่แข็งกระด้างไม่ถือตัวถือตนไม่ยกตนขอมท่านไม่ถือว่าเราเก่งกว่าคนนั้นเราเก่งกว่าเขาคนนี้ไม่ยอมรับฟังไม่ยอม ส, สนใจ เมื่ออย่างที่สมัยที่องค์เสด็จพระจอละลมใจบรมศาสตสดาสมรุษธรรมใหม่ๆองคเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ๆนะก็มีกราหมคนหนึ่งมาเห็นพระองค์ท่านต้องทรงถือบาทต้องเดินทอดอากัศกริยาอนันงดงามเขาก็เลยมาถามพระองค์ว่าพระองค์ท่านมีสง่าง า, ามมีราศีอันหน้าเคารพเริ่มใสจริงๆแล้วก็ท่านก็ถามว่าใครเป็นครูของท่านใครสอนท่าน เพราะ็ระพุทธเจ้ตรักว่าทรงรู้เองทรงเห็นเองคนคนนั้นก็เลยหลบไปเลยเขาคิดว่าพระองค์คงจะจะเก่งเกินไปนะคนเราจะต้องมีครูบาอาจารย์ไปทูสอนนี่ก็องค<น>์ไม่มีเขาก็เลยหลบไปซะหรือทรงทนองตนว่าเขาก็ดีเหมือนกันนั้นสภาพอย่างนี้มันเป็นไปได้ แต่ว่าใจของเธอคงไม่เป็นอย่างนี้กระมังใช่ไหมอ่าเราก็ยกกำลังใจเขาเราขอบารมีองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดสงเคราะห์ขอให้รู้สามารถมีสภาวะจิตเห็นดวงจิตของข้าพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริงว่าดวงจิตดวงนี้ในขณะอารมวนี้ปรากฏ ภาพในวามรู้สึกเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่ะพอมีความรู้สึกเห็นดวงของจิตของเราไหมล่ะและรู้ไหมว่าอาหารของจิตน่ะอะไรถามว่ามันกินอะไรนะ่ะมันจึงสวยกินกะปิไม้ผิดปรลาัา เขาว่านะอย่างเพลงมันร้องอ่ะนะเออร้องให้ฟังไม่ได้จะปักหมาปะแล้วถามจิตมาสิว่าเธอกินอะไรเธอบริโภคอะไรเข้าไปเธอจึงจิตจึงสวยแต่ร่างกายที่เธออาศัยอยู่อ่ะกินเข้าไปขนาดไหนมันก็มีต่สวยหูหาสวยไม่เจอใช่ไหมมีแต่สวยกินมากก็ปวดท้องเดือดร้องเดือดร้อนตูด ถ่ายมากกินเผ็ดมากก็เดือดร้อนก้นแสกกินหนักๆเข้าไม่ออกเดือดร้อนกลล้นยิสบดวงตามมาเรื่องไงนั้นสภาวะของจิตมันจิตอะไรเขาบริโภคอะไรเข้าไปนะักยังเธอก็บริโภคทางคือการให้แต่ว่าจิตจึงสวยเธอบริโภคศินจิตของเธอก็สวยเธอบริโภคภาวนาจิตของเธอก็เลยงดงาม ถ้าไม่มีปัญญาแต่เธอจะเป็นพระเธอก็ต้องบริโภคศีลบริโภคสมาธิบริโภคปัญญาจิตของเธอจึงจะได้สวยนี่มีหน้าที่ต่างกันนะตอนนี้เธอเป็นอย่างไม่เจตระเธอก็ต้องบริโภคทานเป็นผู้ให้บริโภคศีลดีขาบที่เธอตั้งใจรักษาให้มงดงามเธอป้องบริโภคการเจริญภาวนาไม่ขาดสติ เป็นผู้รู้ตัวรู้ตนเสมอโดยเฉพาะอุปกิเลสห ย, ยาบเนี่ยต้องทิ้งในอุทุมพรี่กาโสตนะไปศึกษาดูเอาต้องทิ้งที่ว่าอยากเกินไปจิตไม่งดงามจิตไม่สวยจิตไม่มีแสงสีอันน่าชื่นใจอิ่มใจของผู้พบผู้เห็นนั่นซ้ำเธอก็เอาจิตดวงนี้ไปให้ความสุขกับคนอื่นเขาไม่ได้ เพราะใจของเธอมันสกปรกมันดำมันมัวใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นเธอได้คนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเขารับไปขามีแต่สวยหาความสวยไม่เจอนิการดูจิตเขาก็เรียกว่าเจตโปริยาญาณพูดแค่นหน่อยสอนมาหน่อยดีนะเพราะว่าอย่างนั้นนะเอาหน่อยเดียวนะว่าเจตโสริยาญาณใน่งนี้ เ, เรียกการดูจิต แล้วเจ้าหนูวิจิตเขา เ, ออรเรามันสวดเพราะอะไรจิตเขเรามันสว่างแล้วก็ถามพระถามใครก็ไปตูถามพระพูทใจจ้าแล้วกะตอบว่าก็อย่างที่รูปพูดมันจะกิด น, นี่แหละถ้าทําอย่างนี้มันก็สวยนะจิตมันอ้วนอิ่มจิตมันอิ่มมันก็ไม่สนใจ ร, ร่างกายแต่จิตของเธอ ย, ยังบกพร่อง ม, มันยังผอม มันก็ยังสนใจตะเกียรตะการกับร่างกายเพราะเธอแบมบพูดอย่างนี้เข้าใจไหมอ่าหมายความว่าถ้าเธอไม่สนใจจิตดวงเดียวมัวแต่สนใจขันห้าจิตของเธอจะเป็นอะไรก็ช่างมันจะแปลงเป็นหมาเป็นเปรต เ, เป็นสุนรรัตน์กายเป็นสัตว์นรกเธอก็ไม่เอาใจใส่เธอแค่เอาใจใส่แต่เดียวว่าร่างกายของฉันต้องแตง่งต้องตงึงหย่อนไม่ได้ ร่างกายของฉันต้องอิ่มห้ามหิวเดือร้อนร่างกายของฉันต้องไม่ป่วยต้องไม่แก่จะต้องสวยเสมอวันเสมอคืนดึดื่นือนนึก็ยังตื่นมาส่องระจกว่ฉันยังสวยอะไรทํานองนั้นนะอย่างนี้จิตก็สวยมันก็มัวหมองเต้าหมองอาหารขาดอีกงไหมเอ็งนะทั้นการโดยจิตเห็นจิต สำคัญอย่างยิ่งเธอจะต้องเพ่งแรงเอากับจิตรักษาจิตของเธอไว้อย่าให้มันผอมต้องบอริโภคให้มันกินอาหารบ่อยๆเลี้ยงมันเลี้ยงให้อ้วนพีให้ผ่องใสเธอชอบให้ร่างกายของใสยังไงเธอต้องเลี้ยงจิตให้ผ่องใสอย่างนั้นเธอต้องการให้ร่างกายของเธอเงงดงามขนาไหนเธอต้องเลี้ยงจิตของเธอให้อ้วนให้งดงาม จะได้มีอธิสมรรคกายของเธอจากมนุษย์กลายเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าจากเทวดานางฟ้าเป็นจมจากครมเป็นพระวิสุทธิเทพงดงามสว่างสวยอย่างยิ่งไปขอดูสิขอดูร่างอธิสมรรคกายของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเป็นวิสุทธิอันยงดงามสวยสดงดงามอย่างนี้ท่านสวยขนาดไหน ในสารสองเคขาะให้เราได้เห็นในจิตของเราไม่ล่ะนั่นแหละท่านเลี้ยงจิตของท่านเลี้ยงเมื่อนับอสองไขยกลับไม่ชัว่วเลี้ยงมาจะถึงชาติสุดท้ายท่านเลี้ยงของท่านแล้วท่านก็ยังเผื่อแผ่ให้กับเราให้กับลูกๆให้กับหลานๆให้กับพุทธบริษัทให้กับคนที่ปรารถนาโดยทรรในเบื้องหน้าเพื่อเขาจะได้บวนบ้างสวยบ้างตุกมะหยักท่านบ้างตุกมะหยักหลวงพ่อบ้างอย่างองค์ท่านบ้าง จะถามท่านว่าจริงไหมท่านจริงสอนแนะนําเสมอจงอย่าสนใจในกายของคนอื่นสนใจแล้วจิตเราผอมไม่สวยนะจงอย่าสนใจในร่างกายของเราสนใจแล้จิตเรเวลานั้นมันก็ผอมแห้งเหียวมันคล้ำเหมือนคนไม่มีราสีนะจิตไม่มีราสี มันก็ไม่สวยก็เพราะเราโมจะสนใจขันห้าจิตมันก็เลยบอกิดมันคงจะงอนมั้งนี่ไงมันงอนเป็นไหมอ่ามันคงจะบอกว่าที่กูไม่ดูแลที่แต่ละแม่มึนมาดูแลเข้าไปสิอันนี้ลูกพอขุนนะยังไม่ได้พอขุนฮะ่ต อย่างนี้ง่ายดีไหมก็ใจง่ายเลยนะแต่มันไม่เพราะหรอกนะเพราะได้ยอมติอเอาอย่างเงี้ยนะทําใจให้มั่นคงแล้วก็คิดว่าเราต้องสนใจกับติตคือเราคือตัวของเรามันเป็นสมบัติของเราเราต้องขุนมาใด้อ้วนต้องขุนทุกลมหายใจเข้าออกเข้าก็ต้องให้มันสวย ออกก็ต้องรู้ว่ า, วาจิตตัสวยอย่าให้มันแห้งเหี่ยวหัวโตนะไม่ได้เดี๋ยวมันมีอันต ร, รายเพราะมันมีอันต ร, รายอย่างนั้นครับมันก็แปลร่างนสิโน่นใหญ่มันจะแปลร่ า, า, ร า, างแปลอะไ ร, รบ้างก็อัตวนรกสวยไหมละ่ะขอบรารมีพระเจ้าสงฆอดูสิถ้าตัวของเราต้องแปลร่างเป็นสัตว์นรกอย่างนั้นมันสวยไหมละ่ะ มันก็ไม่สวยไม่มีใครเข้ามาสนใจเตีวดาท่านก็วิ่งหนีบอกนีหนีหนีอยู่ไม่ได้อยู่กับพวกสัตว์นรกคู่อยู่ไม่ได้แล้วเห็นดีกว่าแล้วจะมีใครเตีวดาหน้าไหนรักษาตัวเธอเวลานั้นท่านก็เห็นแล้ไปหมดแล้วก็ปล่อยให้เธอเวองว่าอยู่คนเดียวเสร็จยักเอาไปกินนะยักอะไรยักยอกไม่ไงไม่ใช่ยักรถ ยักษ์นะชนขาดจะเด็นยักษ์เรือล่วงตกงน้ํายักษ์เครื่องบินบ้น่งยักษ์ุกลมยักษ์ภูเขายักษ์น้ําก็ยักษ์ไปเถอนะตายสิอยู่ไม่ได้ใครจะรักษาตัวเธอลนะหมดแล้วเขาวิ่งหนีไปหมดแล้วอย่างนี้เราพอจะเข้าใจไหมเจ้าว่าจิตสําคัญการที่เรามาสนใจจิตจะเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ใช่ัมสนใจชาวบ้านถูกไหมไม่ถูกด่าได้นะอนุญาตฮะลองด่าดูสิอาจจะได้กำไรได้ขาดทุนก็นได้นะ <c oughs> แล้วก็ตั้งเจตนาจิเของเราไว้แบบนี้เสมอจำไหมนะจำเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจ นะวันนี้พิเศษหน่อยวันเชิงหมาเตอร์นะจำเอาไว้นะว่าสภาวะจิตสําคัญมากมากกว่าที่จะไปสนใจร่างกายของคนอื่นเขาแล้วก็ไม่ต้องห่วงอารมณ์ของคนอื่นเขาว่าเขาจะไปยังไงเขาจะใสไหมเขาจะสวยไหมเขาจะอารามณ์ของใสขนาดไหนไม่ต้องไปส น, นแต่เรวเราไมไปพระอาหารหันต์หรอกจริงไหม ไม่ต้องสนเอาแค่รู้อยู่ว่าพอคุยได้ไหมอ๋อจิตสวยพอคุยกั็รู้เรื่องอแต่ว่าพอพูดภาษาดอกไม้กันได้แต่จิตห่วยๆพูดภาษาดอกไม้กันไม่รู้เรื่องต้องพูดภาษาอิตโต้อย่างนั้นนะเหมืกับไม้หน้าสา ม, มพูดกันรู้เรื่องอันี้ไม่สําคัญแล้วถ้าตั้งใจไว้ว่าวันนี้องค์เสด็จพระจินดาสีประมงมาาัยาสดาท่านเสิ็เธอ อย่าโมจะหมกมุ่นอย่าโมจะเป็นเลี้ยงร่างกายที่ไม่เคยของเราอย่าโมจะสนใจไอ้ขันห้าห่วยห่วยมันเซ็งอารมณ์นะมันไม่ใหญ่ดีมันไม่มีเคยให้คุณกับเราตรงไหนมันนี่แต่ยับดีดีไม่ดีติดเข้าเราก็หิวจริงจริงสนใจมันก็เหี่ยวแล้วสนใจกายคนอื่นก็ยิ่งเหียวเข้าไปใหญ่ยิ่งไปห่วงอะไรอาวร อ, อาทรกันไปอีก ยิ่เหี่ยวเนเด็กหนักเข้าไปอีกดูเวลามันเหี่ยวที่รู้ดูตอนมันเหี่ยวจะสวยไหมขอบา ร, รมีท่านสมแขกสงเคราะห์ขอดูจิตเขารู้วิญาณมันยามันเหี่ยวบ้างพระพุทธเจ้าค่ะมันเหี่ยวหลายแบบนะขอดูหลายหลายแบบพระพุทธเจ้าค่ะดูซะมันเหี่ยวเป็นยังไงจิตเหี่ยว เวลามันเหีเห่ยวป๊บปันแปล ร, ร่างเป็นอะไรขอดูด้วยนะเพราะจะเจพะุทธเจ้าขาะว่ามันน่ารักไหม <S <S อย่างนี้ทนดูไหวไหมละ่ะทนดูไม่ไหวนะ่ะเลตัวเองเนาะแต่นั่นแหละมันก็เรื่องธรรมดาจากใดที่เรายังเป็นพวกปึก มันก็จะมีบ้างสลับกันไปสลับกันมาถ้าเราไม่ขี้เกียจไม่เลิกลาเสียมีปรามตั้งใจอันแน่วแน่แล้วก็นานๆเข้าเราก็ชนะมันก็แพ้เราไอเหี่ยวมันก็น้อยลงเต่งตึงมันก็เกิดขึ้นกับเราไอไม่มีแสงสว่างมันก็มีแสงสว่างสวัยสดจางๆขึ้นมาไอหลุดโฉมนมพันเคยเป็นเปรตบงเป็นสารรบบ้งมันไม่ไปแล้วมันจะเป็นเทวดาท่าเดียวดีดีไม่ดีเทวดาไม่เอาะ ยิ่สุดชิ้แเทพเลยสวยกว่าบางอารมณ์นะมันก็ไปได้อ่ะคงไม่ขอย้ำว่านี่แหละเขาเรียกวเจต เ, ยายานะเริาญาณนะฝึกมากฝึมงูเรื่องเดียวพอฝึกมากจะจำไม่ได้นี่จะบอกว่ามโนยิธิไม่สอน นะแนะนำแล้วนะว่านี่คือเขาเรียกว่าเจตปริย า, ยานคือการรู้จิตดูจิตของเราเพ่งอาศัยรักษาจิตของเราอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้ที่สมแล้วที่กล่าวว่าเคารพจริงในพระพุทธเจา้าเคารพจริงในพระธรรมเคารพจริงในพระอริยสงฆ์ที่เปล่งวาจาบ้างกราบสุดกระดกกระดก บ, บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะอ่า ทีถ้าเธอดูจิตของเธอสวยเธองดงามจนสามารถจะเห็นในชิวมนตรกายปรากฏว่างดงามสวยสดอย่างนี้ทิ่จุกยานเร่อเด็กๆเล็กเกินไปแล้วนี่มันเรื่องผู้ใหญ่เขาทํากันแล้วนะสภาวะข้าใจของเธอเป็นอย่างนี้เธอก็จะมีความสุขอยู่ตรงไหนเธอจะสุขอยู่ในมุ้งนอกมุ้งเธอก็สุขอยู่ในบ้านนอกบ้านเธอก็มีความสุข อยู่ตรงมีขี้เยอะขี้น้อยเธอก็สุขมีคนพลันคนดีเราก็สุขอยู่ที่ไหนเราก็ไม่วุ่นวายเพราะเราดูแต่ใจเราคนเดียวหนักไปไหมก็คิดตามที่พระคณแนะนำนะว่าอาหารเนี่ยเลี้ยงกายเนี่ยขนเข้าไปเธอมีแต่จิตเหี่ยวกายก็เหี่ยว มันไม่เป็นไปไังที่เราปราชนาแม้แต่เล็กน้อยไม่ช่วยอะไรเราเลยน่าจะหมกมุ่นวุ่นวายเป็นที่รวมตะสมของการาราคาเป็นที่สะสมของความปฏิคัตคือความโกรธนะวันนี้เอาหน่อยติตจาลาหน่อยนะอา่านวาอย่างนั้นก็ว่าสามท่านนะนั่นสภาวะที่เป็นเราต้องอาศัยโซนี้เป็นสำคัญ มนมุมาัยที่เธอฝึกกันได้นั้นมีประโยชน์มากแต่ประโยชน์ให้มากที่สุดก็ต้องอาศัยเจตโตปรยายาิยัญจึงจะมีประโยชน์สูงเพราะเมื่อเธอสามารถทําลายความเศร้าหองของจิตของเธอได้ทําให้จิตของเธอนั้นมีความผ่องใสสว่างสวัยที่จะรู้อะไรละ่ะมันก็เป็นของเด็กๆ เ, เธอจะเข้าใจเสี่งใดๆมันก็เป็นของง่ายๆมันสําคัญที่จิตตัวเดียว เธอจะกรอบโกยกุญเอาสักขนาดไหนมันก็สำเร็จได้ตรงจิตของเธอตรงนั้นนั่นแหละเข้าใจไหมจ๊ะเข้าใจแล้วก็เลิกอ้อาวถาเข้าใจแล้วนี่ไม่เข้าใจก็ว่าต่อสิเนาะ เอาใจแล้วก็เลิกแนะ น, นำอะไรอะไรกันมากเนะาะพราะคนพูดปวดเต็มทีแล้ว <c oughs> <c oughs> ทำมันจนคนไม่กัตั้งครึ่งชั่วโมงเ อ, อ่ไม่เป็นไรทำอะไรสบายๆจำใจสบายอย่าไปเตงึงมันมากเกินไปอย่าไปเอ็กนะอายเขาเดี๋ยวก็จะหาว่าเราบ้ากรรมาฐานนี่ไงเนาะ เอออย่าไปขวดอะไรกับใครเขาเราทำเพื่อความสบายของจิตให้เป็นคนปกตินะโยนะคนปกติก็ทำอะไรกันทำเนี่ยคนปกติเขานั่นแหละอย่าไปมีความรู้สึกว่าเราพิเศษกับคนอื่นเขาไอการทำจิตเนี่ยมันทำได้ทุกขณะใช่อืมดูจิตเนี่ยมันดูได้ทุกที่เนี่ยแก้ผ้าดูเห็นไหมเห็นไหมหเห็นแก้ผ้าสิ เห็นแหละนั่นสภาวะจิตก็ดูที่จิตดูได้ทุกเวลากิริยบททั้งหมดนั่นแหละทุกอารมณ์เพราอารมณ์มันเกิดดับเกิดดับจริงไหมอารมณ์มันเกิดแล้วมันก็ดับอารมณ์ดีเดี๋ยวมันก็ดับอารมณ์เลวเดี๋ยวมันก็ดับจะจิตเรามันพอมันเกิดครบจิตมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปไม่คงที่ไม่แน่นอนหา อ, อะไรเป็นสารละไม่ได้แต่เราก็ต้องดู เพื่อเราจะได้หล่อเลี้ยงมันให้มีสภาพมันเราต้องการถ้าติดขขาเรามันแปลสภาพไปเป็นอย่างที่เราไม่ต้องการเราก็เดือดร้อนออนะเดือดร้อนก็อื่นไม่เดือดร้อนหรอกแต่อาจจะเดือดร้อนตรงที่เราโมโหนะมึงอยู่หน้ากูไม่ได้แล้วยักมาแล้วขอโทษทีนะไปละคุยไม่เป็นแล้วยักโผล่แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องวิ่งหนีแล้วนะ คบไม่ได้กอยักษ์คบได้ไงเด็กกินเหล่าธาตดียอยถ้าเป็นนางฟ้าก็น่าคบใช่ไหมหนุ่มยิ้มต่าต้องกานยิ้มเข้าไปก็คุยง่ายนางฟ้าคุยเพราะคุยสนอนหูนะนางฟ้าใจดีมีกระเป๋าเมตตาอย่างนี้เราก็ขึ้นใจหน้าคบหาสมาคบ ม, มือล้มให้เมือ่อสาวนะ อาจาสบายบอกแล้วว่าสบายก็สบายใิเนะาะฟังกันง่ายง่ายเย้เย่หอมต่อนยเย่หอมไม่จบเลยยังไม่หมดหอมเลยนะวันนี้ปล่อยนะปล่อยผีได้วันนะยังวันพระอ่ะไปไหนก็ได้เราผีเกลื่อนไปนเนี่ยห้าสิบห้าข้าเลยใช่ไหมวันจันทร์นะ ทางแล้มันจะตือผีโผให้แล้วใช่ไหมให้เขาแล้วเจ้าอีกก็เดี๋ยวรออีกสักครู่ก็แล้วกันให้ร <c oughs> อหน่อยนะติดใจเดียวนะั้นเดี๋ยวเขากรีแล้วก็ท่านเยียมยกมือเลยอนนี้ก็ฟังเราเล่นๆไว้ก่อนไปก่อนกัฟังไหมไอ้หอมอ่ะคาวที่แล้วมันถึงไหนล่ะถึงตอนแกนให้ทัพทีใช่ั้ย เออแให้ทับทีหรอปะฉันก็ดีใจแล้วนะโอ้แก จ, จนขนาดนั้นแกงัดทับทีทองเหลืองที่มูตาเตรียมไว้สักข้าวใส่บาตรพระเป็นปกติบางวันแกก็ใส่บุธทธรรมีข้าวก็ไปใส่ทำบุญถปไหวพระบ้งางแต่วันไหนไม่มีก็เก็บไว้สงสยก็จะคงจะเก็บไม่นานแล้วะต่ะสมัยโสาวเลยนะแกงัดมาอย่างดีนะนี่คุณมันดีนะทองเหลืองเนี่ย รุ่นเก่านะเนี่ยออดังป้าฉันนะเอส บ, บันนะ่ะสมากอนะ่ะทองเหลืองนะ่ะแกจะได้นะนี่ป้าเขาจะหลอกพระเอาอะไรมาหลอเดีอืมเดี๋ยวดูก่อนนะมีตะ บ, บันทองเหลืองอันหนึงจังแม่เอ บ, บันนี่มันเก่าแก่นะทองสมัยก่อนทีเดียวใช้มานานแล้วเนี่ยตั้งใจหล่อพระแต่แตยา่สู้ยายหอมไม่ได้ยายหอมแ ก, ก่แน่กว่าแน่กว่าตรงไหน แน่กว่าตรงที่ว่าแกมีทองยิดเอาไว้ตั้งแต่สมัยสาวๆนี่ตอนหลังหล่อที่จะหล่อพระไปเจอ ก, กับพุทธเจ้าม้้งนะงั้นก็บอกว่าเขาถามว่าที่วัดมีหล่อพระเองไหมแบบมียายจะเอาอะไรหล่อล่ะเขาบอกฉันมีทองมีทองยายเนี่มีทองในคุยไว้จนใหญ่ก็ ทองมืสมัยตอนจนๆน่ะทองเมื่อสมัยสาวๆนะแม่ให้ไว้นะต้องกี่บาทฉันจำไม่ได้นะห้าบาทหรือสามบาทเป็นใหญ่ทีเดียวนะนอย่างบอกนี่ยแกห่อมาด้วยนะแกห่อมานี่ๆๆเยอะๆดูๆนะทองต้องไหลายบาทนะเนี่ยฉันเจ็บมาตั้งสมัยฉั้นสาวๆคุณลองย้อนไปสดี๋ย ก, ก, กี่ปีแล้วน่นนะ แต่แกปาได้เก้าสิบกวา่าแต่มาถ้าสาวเรากี่ปีแล้วยังต่ำกว่าเจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนาะอ่ะาเดบอกว่าฉันเอาทองเนี่ยเอาไปเอาไปแลกเงินมาไปไปเช่านาทำนาพอได้ข้าวมาก็เอาข้าวไปขายแล้วเอาเงินไปแลกทองกลับมาพองเนี่นะมันเปลี่ยนไปสองครั้งแล้วแต่ก็เก็บตัินแก่มาเลยใครตั้งใจว่าใครดูแลแกเมื่ออยางแกอยากจะให้ เดี๋ยวฟังแล้วลองคิดดูนะว่าคนแก่คนหนึ่งไม่มีที่พึ่งไม่มีลูกหลานก็ไม่ค่อยมาสนใจเท่าไหร่อยู่บ้านกับระต๊อบอย๋ยวนี้ก็แบบว่าถนนมันผ่านมาฉันต้องหลบหลบดูหน่อยๆนะไม่รู้ว่ามันจะตัดในตอนไหนถ้าตัดตอนนั้นฉันคงต้องไปอยู่ใต้ไอ้ทางสะพานนะหลบไปอยู่ตรง น, นั้นกับมันงั้นก็บอกว่ายาจะอยู่ถึงรื่องฮอยิงหลายปีนะโนะ ในก็าบอกว่าทองเนี่ยฉันเก็บเอาไว้เพื่อให้คนที่จะมาดูแลสันใครก็ได้ที่เขามาดูแลสันตอนแก่ยังก็ได้เป็นรางวัลแต่มนุษยนาเขานะถือว่าเขาสมคบเราก็จะให้เขาถ้าถามว่าใน ย, ยายไม่ห่วงเลยให้แล้วยังไม่มีคนดูแลนะยายบอกไห ม, ไหมทั่งมัเราแก่ขนาดนี้เราดูแลมันต้องหลายสิบปีแล้วใครจะไม่ดูแลเราก็ทังหัวมันเถอะ ตายก็ตายอ่ะนี่นะตั้งมั่ใจนะทองชิ้นนั้นถือว่าเป็นชิ้นเดียวที่เขาฝากชีวิตไว้กับทองนะเธอสละทองนั้นเพื่อมาเมร์าหล่อพระทิ้งชีวิตของเธอลงไปในทองนั่นแหละถ้าไม่มีทองชี่นี้คือว่าเอาละมีสิทอยู่คนเดียวิวไม่ต้องสนใจคนตื่นแล้วจะ ต, ต้องเจ็บขนาดไหนก็ต้องหิวขนาดไหนเกยก็ต้องไปทําเอง ตักน้ำเองหุงข้าวเองทําอะไรเองเดินตาตาก็ไม่ค่อยจะดีหูกับยานนะจะบอกคุณ พ, พูดดังๆหน่อยนะฉันฟังไม่ค่อยดีแต่เสียงแกดังเ <c oughs> ออเสียงแกดังฟังชัดฉันก็เลยถามว่าไม่เสียดายแน่นะอย่าทำหน้าจ้องหน้าฉันมันดูถูกดูถูกแก อย่างเคยถวายนมาฉันก็ล้อนี่ไม่จะได้ยเลยพ่อยอะไรไม่เสได้ยเลยเนี่ยเออตอนฉันไปวัดกลับมาวัดแล้วเขาไปบอกกับแม่เขาบอกคิดเลยขอมจะเสียดายแล้วเขาบอกกับแม่กันนะคิดเลยว่าพระเขาบอกพระเอาทองมาล่อฉันว่าคิดเลยหอมจเสียดายทองนะน่ารักมากฮะ เป็นผู้มีอายุมากก็จริงแหละแต่กำลังใจเด็ดเดี่ยวมากนั้นก็เรื่องนิพพานเนี่ยเจพูดเสมอว่าฉันไม่เอานะนิพพานสองันงนิพพานหนึ่งยังไงถามนิพพานสองไหนมันอาจจะล่างมั้ง <c oughs> เอานิพพานหนึ่งแล้วบนบนน่ะนะคนอย่างเนี้ยหายากได้พบเจอถือว่าเป็นบุญวาสนาบารมีเหมือนกัน ทำให้เราได้เข้าใจว่าอย่าดูถูกคนนะอย่าไปดูถูกคนแก่ๆอย่าไปดูถูกเขาจนยากจนเสียใจอย่าไปดูถูกกำลังใจของเขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาจะปฏิบัติไม่สามารถที้เข้าถึงนิพพานได้แม้นเขาจะไม่มีโอกาสรับคำสอนเหมือนอย่างที่เราได้รับคำสอนใช่ไม่มไม่มีโอกาสได้พระนาเตือนปักเตือนทุกวันทุกวันต่นฟังแค่ประยุทธ์นะนะไม่มีโอกาส แต่เราอยู่อยู่ถูกคนนะเขามีโอกาสได้ดีมีอู่ครั้งที่แกถวายทองเสร็จไปแล้วเนี่ยนั่นก็แปลกใจว่ายายอย่ายอยากสร้างาพระเลยเขาบอกฉันตั้งใจอยาสร้างาพระสังค์ให้แม่นะสมัยแม่อยู่กับฉันเนี่ยให้ฉันมาเยอะฉันก็ทำบุญให้แม่เหมือนกันแต่ว่าอยากจะสร้างาพระสังค์ให้แม่ แล้วยายเอามันที่ไหนบอกฉันมีฉันมี ฉ, นม ฉ, นมฉันเห็บเ็บไว้จิรสิบบาทยี่ิบาทเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ใต้ใต้เสืออะไรแก น, นะจากนั้นเก็บเอาไว้แล้วเงินเนี้ยไปหลอกละเอาไปสร้างพระไอ้ก็สร้างพระ ป, ประมาณสักสองหมื่นถึงสามื่นบาทอีตอนนี้หลานแกสิหลานที่ลูกคนอื่นเนะาะไม่อยากช่วยกันแล้วะอาว่าแกรวยกว่าเขาอีกมีเงินเจ็บี่มีเงินเจ็บหลานมันจักจะไม่อยากจะให้ละ ว่ายายมีเงินเจ็บอย่างนี้ยายก็เลยไปขันติรอดไปนู่นเลยนะยายก็ไม่ว่าอะไรไม่สนใจจะจิ่มใจนะเอาพระไปไว้ที่วัดถึงวันพระแต่ที็ยายจะไปที่วัดไปกราบพระของยายก็ขันถึงวัดปุ๊บฉันต้องไปไหว้พระของขันก่อนขันไม่หาใครไม่ไปหาใครเลยใครพักฉันขันไม่รับฉันจะต้องไปหาพระของฉันก่อนไปกราบพระมันชื่นใจกลับมาบ้างก็ชื่นใจนึกถึงพระองค์นั้นเสมอ เก่งไหมเก่งมากเธอทำได้ไะมได้ทำได้ก็ตลาดทองมาสิฮรับนะไม่รับเราออกมาสม่ำม่นะความดีก็ทากันง่ายๆอย่างนี้แสดงว่าสมาธิของเธอดีถ้าสมาธิไม่ดีปัญญาของเธอไม่ดีอย่างนี้นักจริงไหมเนี่ยก็ได้สมาธิจริงนะ สะมาที่นั่งแบบเราแบบนอนแบบสีฟ้าขาวอย่างนี้ยังเป็นสมาธิปลอมๆเป็นการกอ่อสร้างปัญญาเท่านั้นแหละแต่ปัญญาของเธอสามารถคิดได้ถึงขนาดนี้ตัดสินใจได้เข้มแข็งถึงขนาดนี้แล้วก็เขาต้องมีทุนในการทําสมาธิมาดีในการกอ่อเห็นไหนี่เป็สมาธิจริงนะของจริงๆของจริงตัดใจได้ ถ้าของไม่สิงต่อให้ได้ชานสี่นาจะกี่สิบปีและตัดสินใจตัดใจไม่ได้ก็ไ like ล้บ่อยมีสบู่นะว่างเปล่าสุนเปล่าไม่มีประโยชน์นะคุยไป่งหนหุ่มไรติดมาแต <c oughs> ่งนี่ยังเจอฉันมาตั้งหลายวันนั้นเนี่ยแต่งั้ยไม่แต่ง ฉันเกือบฉันเต็งตัวฉันแล้วนะก <c oughs> ูจะสร้างความบังค่าให้กับโยมแล้วบางทีก็ไม่เด็ดเป็นเกกรื่องเปล่าจีก็ไม่เข้าท่าแต่ว่าอย่างนี้นไม่ควรจะโดนไมกก้กระบานโดนแน่เลย <c oughs> มีอะไรจ๊ะอ๋อสิดกันเทศ <c oughs> เอาเโมทนาโทนานะจะให้โยมทุกคนนะเนี่ย อมรนาด้วยปกติฉันเทศเขาต้องเจตีทองนะโยมไม่ชอบลนะรูดเน้นมาทำอะไรล่ะอ่ามรณาบุญด้วยจ้ะดีมุรนาไม่พลาดในไหว แันจะได้สบายอากันในวัยทุกคนนะได้สบายไม่ต้องห่วงคุณที่ทำมาทั้งหมดในในชาติปัจิบันฉันยกให้เธอหมดเลยนะมรณาคาินะเออทำไม่มากแล้วแต่มันไม่น้อยมันตีวไปแล้วมันต้องเพิ่ม <laughs> ไม่น้อยหรอกเพราะว่าสรางพระถ้าจะคิดเป็นองค์จำนวนก็คงเป็นหมื่นองคแล้วนะทั้งองเล็กองคใหญ่องคเบลล์เทิมงองแ์ดตอกใหญ่กว่านี้ก็สร้างแล้วให้เธอหมดเลยนะอ้าวมันจะนอนจกักเลยพระ วันนี้เล่นเด็กที่โรงเรียนชุมชนท่าสางน่ยะเงินกับพวกเธอเนี่ยฉันเอาไปยัดเยีให้เด็กหมดแล้วนะแจกเด็กด้วยเอาของเล่นมาแจากเด็กด้วยเล่นก๋วเเตียวด้วยแจกเมนูตั้งหากด้วยอุม่มวัฒ น, นาก็ข อ, ของพวกเธอเนี่ยเอาไปทําเอาไปให้เขาทั้งที่แก่ๆสงคราม แล้วก็มีส่วนเธอของเธยก็คือเอาไปเอาเทพหลวงพ่อไปออรกรายการวิทยุมีทํามาปีกว่าแล้วนะมีกว่าแล้วอรายการวิทยุเ อ, อ็มหนึ่งูนห้าสามนาย่างเกาะนะทุกวันเย็นวาจชิตตั้งแต่ปีสี่ถึงสี่ห้าทุกวันก็ทามาทามาเรืยๆ ก, ก็มาได้บอกใครอะไรหรอก ให้มาอย่างเงี้ยเองก็ไปปักปักปักไม่พอก็มาปะแม่ยืมก่อนนะยืมพี่สาวพี่สาวยืมก่อนพี่สาวให้มาบอกไม่มีใช้ไม่บอกไม่ใช้อื่นก็เป็นอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วนะก็ไม่ได้หนักใจไม่ได้สนใจว่าใครจะทําไม่ทํา เขาไม่ไดม้มาโฆษณาบอกนะที่นี้พูดถึงว่าฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันจะไปทำอะไรตั้งอาจจะสร้างคราก็เทพหลวงพ่อไปออกรายการวิทยุให้คนอื่นเขาได้รับฟังบ้างอย่าเราฟังใน ห, หูแฉแล้วนะคนอื่นเขาไม่มีโอกาสได้ฟังให้เราฟังบ้างบางบางครั้งก็มีอุปสรรคตรงที่ว่าเจ้าของสถา น, นีเ้าก็ถูกคนอื่นเขียนหนังสือมาบอกว่าพ่อพูดถึงนิทาน แล้วก็ติเอาตี้งเอาจะขอสาเนเขาก็มาสิ้งกับเราว่าอย่าห้าอย่าเปิดเลยที่มีนิทานนิทาน น, ะนี่ยเองก็เอนก็ไม่สนชันเป็นคนจ่ายสตังเนาะก็ส่งไปเนี่ยเ อ, เองก็เปิดไปแล้วกันค่าจ่ายสตังนะก็เปิดไปเห็แล้วก็ร้านเปิดมาเลยเปิดแล้วตอนนั้นเอาหลวงพ่อตวนช่วงที่ท่านสอนก่อนมรณะภาพที่จะชวนเจวดาชวนอะไรไปเ น, <ม>นื่องนิทานเนะี่ยก็มีพวกแก่ ตัแก่ลงแรกเ่ะบางคนเนี่ยเขาก็ติงว่าท่านไม่นา่าไปทำสงสาราตรารัวเองแค่ตกนรกขอช่างหัวข้อหัวแม่มนนยอยากลงนรกก็ช่าแอะเนาะไี่เกี่ยวนม่เกี่ยวยว่าเราเนี่ยสักหน่อยคนดีเขามีอะ่ะก็มีหน้าทีคนหนึ่งเขาก็ฟังไปจนตาบอดนะหนูพี่ธนายฟังอฟังไปผิดของเขาเข้าถึงความดีได้อะตากระบอด แกก็ เ, เอาเงินมาให้ให้ซื้อเทปเพลกันหน่อยเห็นไหมเพียงคนคนเดียวให้เสียเงินสักร้อยล้านก็คุ้มอ่ะคนคนเดียวเข้าใจเขาว่ า, านิพานเนี่ยนิพามันจะซื้อกันง่ายๆนะเห่นไหมร้อยล้านมันก็คุ้มอ่ะนั่นคือว่าธรรมาทานที่ที่ทำก็ตรงนี้เธอมีส่วนในโมทนานะบุญของเธอเงินของเธอเงินทุกคนที่ให้มาตั้งแต่ไหนจ ะ, ะไรนั่นแหละมันก็ปะปอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ แล้วก็เอาไปสมคอทหารบ้างสมคอเด็กนักเรียนบ้างสมคออุปกรณ์จิภาาก็แจกเป็นคืณเงิสาบ้างก็ทำเพราะมันอยู่เปล่าเปล่าว่างไปหาเรื่องคนเขาดา่าสนุกดีมันนะอยู่เขาเขาว่ามิพานสูในตอนนั้นน่ะเขาเต็งเอาบธรรมดาพวกแกปัาจัยจิปาษาเยอะๆคณาจมมาเยอะ ตกลงข้างล่างนะเยอะแยะนั่นเป็นธรรมดาของเขาเราไม่สนใจอะ่ะสนใจคนที่เขาเอาดีนะคนไม่เอาดีไปสนใจันไมคำคาด่าของเขาเขาจะติดเขาจะฝ้ายังไมเรื่องของเขาพุทธาทันย่างยิ้มเลยเนาะเราก็แกลงยิ้มราบ้งแกลงยิ้มมันส่งอย่ามาด่าต่อหน้ากันแล้วกัน ใครโตก็ตี น, ก, นก็ได้มึกก็ได้เรามีว่าถูกไกลใอาจจะโดนก็ได้นะกออ็ไม่ได้ตัดโกรธอ่ะเก็บเอาไว้เอาไว้เอาไ ว, าไว้ถกกับคนชั่วนะเก็บไว้สิโลกก็ไม่ได้ตัดเอาไว้ช่วยคนดีจริไงไ้มโลมไปเนี่ยโกรธไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ก็หมดนะไม่เหลือหรอกเหลือก็เหลือหนี้ แบบนี่อาไว้สนุกดีกลัวตัวกลัวใจตัวเองว่าจะติดเงินเสเ็ยท่องซ้ำนี่แล้วพ่อสอนไว้ใช่ไหมอ่า mm hmm. กลใจตัวเองจะติดจิตเงินจิตทองคุณเจ้าสอนห้ามนะห้ามจิตรับห้ามหยิบห้ามจับําได้จะ <c oughs> <c oughs> โดนเพราะถึงว่าใจเรานะใจเราจะไปติดนะรับไม่เป็นไหนเราไม่หลอกลวงใครเลยพ่อสอนไว้ใช่ไหม เอามันเอามาแล้วกระจายมันเข้ไปทะหลงเข้าไปเถอะสนุกดีหรอยีอยู่เปล่าๆอย่างนั้นก็มีนิเกอหลายๆลงคนนน้นลงตรงโน้นลงตรงนงรงน้นก็ลงเขาตั้งบางทีก็ไม่ยิ้วบ้างอะไรบ้างเต้นกันทางกฉากแล้วก็ดูสนุกดีมันเต้นกันไปนั่นนะเป็นแต่ลมกับเป็นโน้งกับเป็นเต้นเห้ือทุกที่ทาาอ่ะตัวรัฐอาณาจักรโอก็ธรรมดา ใครมันอยากจะยจะังไงก็ช่างเขาเราสบายเพราะเราไม่ใ่เจ้าวาเนาะว่าเราก็ด่าไป